เขกับคณะสองเจริญพรอยังยอดเยยมกันมาล่นตัวทำวัดเย็นทุกท่านก็คงจะมีคนเก่าวเกี่ยวมเข้มสี่สิบวั น, นแล้วก็ท่านที่อยู่ในวัดก็เวาลาทำวัชาวัดเย็นเราก็มาล่นตัวกันแล้วก็มีคนใหม่คนใหม่ที่เพิ่งมาถึงในวันนี้ จะเข้าก็ปฏิบัติประจำเดือนเรามารวมตัวกันทำวัดเย็นใจตรงกันประคองดังหกโมงแล้วก็เริ่มต้นทำวัดกันมาตอนเช้าหลวงพ่อมเกนท่านก็แทะหลังทำวัดนะท่านก็พูดถึงการมารวมตัวกัน ก็ไม่มีเรื่องอื่นก็นเพื่อกรมมฐานนะฝึกกรรมฐานครั้งสุดท้ายที่เป็นบทสนทนากันสองคนบทสนทนาท่านมาสัมผัสที่มือนะท่านบอกว่าสงสินกรรมฐานนี่ต้องยึดไว้ทำไว้ให้ชัดเจนเลยนะกรัรมฐานท่านก็เดินไป กรรมฐานนี่ต้องเอาเป็นหลักเนะี่ยยึดไว้ชัดเจนเลยนะท่านก็สั่งเเรื่องกรรมฐานนี่ต้องชัดเจนทุกคนที่อยู่ในวัดนะี่ต้องตรงประเด็นแลนะ้วล่ะหรือว่าการเคลื่อนไหวแล้กวก็สร้างความรู้สึกตัวนะตรงนี้นมันเป็นตัวฝึกหัดจิตหรือเรียกว่าสติเทียนเป็น ธรรมชาติตัวหนึ่งอ่ะที่มันพาให้เราอยู่เหนือรูปนามขันห้าภาษาศาสนาเมื่อกี้อาการสามสิบสองที่เราสวดกันผมคนเล็บฟันหนังอาหารเก่าอาหารใหม่มันในสมองเยือนในกระโหลกศีรษะที่เราสวดก็สักครู่มันเป็นรูปธรรมอ่ะนะ มันมีอาการต่างๆเป็นโรคของมันน่ะแก่เจ็บตายเป็นธรรมชาติของมันก็มีกระทรวงสาธารณสุขนะที่ดูแลเรื่องพวกนี้เด็ดตรงทุบกายปล่อยกายหาหมอกินยาเข้าโรงพยาบาลด้วยวมีสาสตร์ต่างๆในโลกใบนะี้แผนจี น, นแผนไทยแผนเยอรมันแผนสารพัดรักษาโรค บางคนก็บอกพืชกินได้ไม้เป็นยาอาหารเป็นยาเราประทานไม่ดีก็สักหารสังหารเราอาหารดีๆกลายเป็นยาพิษลงสุภาพกายแกเจ็บตายเทียมกันที่สุดก็เรียกมหาพุทธรูปมหาพูดนะตังง้งหวโจรสตลเรียกว่ามันจะใหญ่แค่ไหนก็ตามก็เล็กว่าลง โลงใหญ่กว่านแน่แล้วจิตใจอันนี้มันต้องใช้ปัญญาจิตใจของเรามีโลกใจโลกจิตโลกใจมันมีอยู่งุดหงิดกังวลหรือ ว, ว่าเบื่อเสงปีดบีนแตกอารมณ์พุ่งพ้านหุนหันพันแล่นงุดหงิดร่มร้อน โรคกระดหลงรักจางสุขทุกข์พวกนอาการของจิตของใจมันเป็นโรคชนิดหนึ่งอันนี้ต้องใช้จรลสปีภาวนาใช้จิตตาภาวนาให้มันเกิดปัญญาใช่ไหมป่วยกายฉีดถังอมทาภ่าตัดฉีดยา ดมยาโอมยาผ่าตัดเด็กของไม้ของมือแต่ว่าโลกของจิตใจต้องใช้ปัญญาผ่านพ้นปัญหาคีะกลุ้มคีลกะโวรล่องให้วนั้นะผิดปกติเราจึงมาตั้งศูนย์พวงร้อกันชีวิตของเราตั้งศูนย์ของจิตให้ปกติมางคนใช้มามันถูกชนมาล่องรอยหมดเนื้อหมดตัว เสียศูนย์ศูนย์เสียจนเสียศูนย์ชีวิตทั้งชีวิตอาภัพอาจนมากทำอะไรก็สาเร็จบ้างไม่สาเร็จบ้างบางคนก็สาเร็จอยู่แต่ว่าเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่รู้ว่าพอดีอยู่ตรงไหนหดีแล้วพอแล้วพอแล้วดีต้องให้ดีก่อนแล้วพอแล้วก็เลยหลงอยู่ในอำนาจนิยมเกียรตินิยม คนนี้บริภาบริบริโภคนิยมภาพต่างๆที่เข้ามาตางาหูจมเล่นกายใจต่างๆวัตถุรูปธรรมนามธรรมต่างๆเราไม่เคยรู้จักแยแยเพราะพ่อก็ไม่ได้สอนนะนะก็สอนเหมือนกันแต่ว่าก็สอนเรื่องที่เขารู้แม่ก็ไม่ได้สอนก็สอนเรื่องที่เขารู้แต่สอนให้ออกจากความคิดเขาไม่เคยสอนนี่ริง เท่าที่จําความได้นะไม่เคยบอกมารู้สึกตัวสิหลุดออกจากความคิดมารู้สึกตัวสิหลุดพอแม่ไม่เคยบอกไปโรงเรียนครูบาอาจารย์ก็ไมีบอกอีกเขาก็บอกแต่เรื่องบอกลบคูณหารอันนี้วิช า, าคณิตศาสตร์อันนี้เป็นเรื่องตีโกนอันนี้เป็นเรื่องของเลขาคณิตเขากสอนอย่างนั้นมีภาษาไทยอันนี้สังคมนันประวัติศาสตร์นีพัละ ทำมากแล้วสแถวหน้าเสาธงให้รู้ว่าเออนี่เป็นศาสนาประจำชาตินะเชิญธงชาติไทยประเทศไทยรวมรั้เป็นชาติเชื้อไทยเสร็จแล้วก็ละหันสัมมาแต่ก็ไม่ได้บอกนักเรียนออกไปจากความคิดมารู้สึกตัวนะก็ไม่ได้บอกนะต้องโ ต, ตมานี่ยไม่มีที่ไหนเลยที่เรียนมาทั้งหมดที่ยังบอกให้มารู้สึกตัวนั่งสมาธิก็ไม่ได้สอนสมัยก่อนเนี่ไม่มีเลย ระดับมัธยมที่เรียนเมาไม่เคยเจอเลยมานั่งสมาธิดูลมหายใจยก็ไม่มีมันมีตอนหลังนี่แหละตอนหลัง น, นี่มีคราวนี้ไปตวัวไปตัวไปวัดข้างๆบ้านก็ไม่บอกอีกวันนักขัตฤกษ์วันพระวันโกนเฮละวันพระเฮเวนนี่ยเขาก็สั่งเอาไว้เป็นยังไงก็ไม่ได้บอกอะไรายละเอียด พาหงนั่นแหละพาสวดแลกตักบาตรทำบุญทำทานให้เงินให้ทองรวบรวมกันมกระไทยยกก็ <c oughs> ไม่ได้สอนเรื่องความรู้สึกตัวให้มีสตินะ <c oughs> ก็ไปวัดแทบทุกวันพระหรือวันธรรมดาก็ตักบาตรอยู่ทุกวันนั่นนะทั้งเดินผ่านหน้าบ้านทั้งอาอหารใส่ถาดใส่ขันเดินตามพระบางวันก็าสาย ปากบาทไม่ทานผ้าไปไหนแล้วไม่รู้บางทีก็มาเช้าก็ามีอยู่าเงี้ยเป็นกิจวัตรประจำวันมาได้ยินอีกทีของความรู้สึกตัวกับวันหนึ่งหลวงพ่อเขียนเนี่แหละพูดถึงความรู้สึกตัวที่เชียงใหม่มสองพันห้าร้อยี่สิบหกแล้วก็ต่อเด้อนยสิบเจ็ก็สนใจโอ้มันเป็นไปได้เหรอเนะี่ยรู้สึกตัวแล้วใจเราทืนสู่สภาว่าปกติ นะมันเป็นวิชาความรู้ที่เราได้ยินตรงนั้นนะจากปากของหลวงพ่อเขียนก็ยังไม่ค่อยได้สนใจฟังเทศฟังธรรมพระก็ไม่่อยได้พูดเรื่องความรู้สึกตัวพูดเรื่องนรกเป็นอย่างนั้นสวรรค์เป็นอย่างนี้ทิศทางสว่างทำบุญไปอย่างโน้นอย่างนี้มันก็ดีอยู่สนุกแต่ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจท่านเห็นแต่เราไม่เห็นจริงๆอาจจะเป็นความโง่ ที่มีอยู่ในตัวรู้ว่ามิจฉาทิฏฐิก็ว่าได้แต่ฟังเรื่องอื่นเนี่เข้าใจหมดนะดนตรีนะโดเรมีฟาโซลาจีโด เ, โดเข้าใจเล่นได้อันนี้สีแม่สีผสมกันอย่างนี้ได้สีนีเข้าใจทำได้แต่ไม่เข้าใจจริงๆเรื่องที่ท่านพูดพอมาเข้าใจเรื่องพลิกมือรู้สึกตัวจากหลวงพ่ อ, พอเขียนนะมันสังเกตอะไรได้บางอย่างอ๋อความคิดมันมีอยู่ ขณะที่รู้สึกตัวนะไม่ได้คิดขณะคิดนะไม่ได้รู้สึกตัวถ้าคิดแล้วรู้สึกตัวแสดงว่าเราเจตนามีสติอยู่เจตนาคิดคิดแล้วพูดเจตนาคิดคิดแล้วทำเกิดจากความคิดอันนี้ดีก็ประโยชน์ทีเดียวแต่ไอ้ตัวที่เราไม่ได้เจตนาคิดน่เลยสมัยพัทย ม, มันมีศัตรูกลัวหรืออาฆาตพยาบาทนะมันเคยมีปมด้อยอ า, อาพับอาจนนะสมัยไทยฟัง ต้องทําอะไรได้วยตัวของตัวเองมาตลอดจะได้ของสักชิ้นต้องเก็บเงินแล้วเก็บเงินอีกพ่อก็ไม่เคยโยนตังค์ให้แม่ก็ไม่เคยโยนตังค์ให้ไม่เคยต้องเก็บจะซื้อมอเตอร์ไซค์สักคันต้องเก็บแล้วเก็บอีกถึงจะได้มอเตอร์ไซค์มาสักคันคันละสองพันกว่าบาทสมายงั้นใหม่ครั้งหนึ่งซื้อมาหมื่นห้าออกใหม่เลยลองดูซิ่งจะเป็นยังไงนะ ก็หาเงินในดําพักดําแรงของตัวเองเลยมอกภูมิใจมากเลยจะซื้ออะไรแต่ละคณะหาเองอันนี่ยมันก็โยงมาหาเรื่องของปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมมันต้องทําเอาเองนะไม่มีใครช่วยใครได้แล้วเราก็จะต้องสอนตัวเองไม่มีใครสอนเราได้นอกจากเรายเงี่ยวหูฟังบางทีหลวงพ่อคูบาอาจารย์ท่านได้พูดโยนใส่อากาศ แล้วก็ฟังตรงไหนที่มันสรุปจะประเด็นเอามากระทาแล้วมันให้ผลตรงนั้นน่ะแหละมันพึ่งได้หรือว่าเป็นเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์หรือเป็นวิชาที่เราสามารถที่จะพึ่งตัวเราเองได้ทําอะไรก็ตามกินข้าวก็ต้องใช้มือของเราเองตาก็เองเคี้ยวเกือเอาเอ ง, เอเเองจะเดินไปไหนมาไหนก็ต้องเดินเอาเองจะคิดจะพูดจะทำก็ต้องเรียกว่า ตรงประเด็นชัดเจนจะเกิดอะไรขึ้นมาก็ต้องรับผิดชอบด้วยตรงนี้แหละการปฏิบัติธรรมมันก็นำไปแบบนี้แหละเรียกว่านำทางสติปัญญามันนำทางมันเป็นแสงสว่างภายในจิตใจของใครของเราเมื่อทีกิเลสมันนำทางเรามันนำยังไงมันก็นำเราให้ทำตามความคิด คิดแล้วก็หลงหลงแล้วก็คิดเล่นการพนันสูบบุหรี่เดิมซูลาหรือว่าติดอินเทอร์เน็ตหรือว่าติดกาแฟติดสิ่งเสพติดมากมายเหลือเกินติดรสหวานจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดเผ็ดจัดติดผงชูรสอันนี้มันเป็นกิเลสเป็นกิเลส รั่าเป็นของสแสลงก็กินอยเป็นของสแสลงนะของสแสลงโลกไรแต่ก็กินลงไปไท้ายสุก็ป่วยหนักนย่างงี้่ความหลงพารธรมสติปัญญาพาธรรมมันก็มีทำด้วยความรู้เนื้อ ร, รู้ตัวมันก็มีมันจะรู้จักพอดีอะไรมากไปน้อยไปไม่ดีทั้งหมดอย่างเงี้ยนะแล้วไม่ใช่หมายถึงว่ามันไม่ดีเราใช้ให้พอดีมันก็ดีใช้ใถูกเวลามันก็ดี ใช้ถูกกาละเทสามันก็ดีมันมีอยู่การแก่การเจ็บการตายในเรื่องไม่พ้นอันนี้ร่างกายก็รามันทุก <c oughs> นั่งก็เจ็บก็ปวดก็เมื่อยนะอันนี้มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเว ล, เวลาเดี๋ยวหิวเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะมันเกิดขึ้นอยู่แต่บางคนเอาเป็นหมุดหิตเอาเป็นโมโหหิวแล้วก็โมโหเนี่ยนะ งดนอนแล้วก็งดหิแล้วก็เป็นไปได้อันนี้คือเป็นเรื่องของขาดความรู้เนื้อรู้ตัวเมื่ีก็เกิดความคิดต่างๆมากมายเหลือเกินเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันตอนปฏิบัตินี่แหละหรือเรียกว่าแค่มาวัดมาวานี่เรวก็ทุกซ ะ, ะแล้วละเริ่มต้นจะเริ่ดรมกบไปโพดมีความกังวลอันดับแรกเลยของคนที่มาวัดปริโพดอะไร เช่นปัจจัยสี่ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเนี่ยนะอยู่ที่นี่ก็บางทีกุฏิสารามันก็ไม่ถูกใจหรอกเช่นกลุ่มมาใหม่เนี่ยบางคนก็ได้กุฏิดีบางคนก็กุฏิชำรุดแล้วสุดโทมแล้วเนี่ยนะอาจจะเกิดการเปรียบเทียบเ ข, เขาเขาเราเราปริโภทศกังวลบางทีก็กลัวความมืดกลัวสัตว์สาราสิ่งแปลกที่ บางทีก็กังวลเรื่องการเดินทางเดี๋ยวจะกลับยังไงจะกลับตอนไหนเมื่ อ, อไรห่วงญาติห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงหมาห่วงสุนัขห่วงต้นไม้ใบหญ้าใครจะดูแลห่วงการห่วงงานห่วงสุขภาพบางทีจะอยู่ยังไงนะป่วยไปโรคร้ายโรคเรื้อรังมาไปเราทำเจ็ดวันนะจะทำยังไง ก็เป็นความกังบลน่ะนะอันนี้ให้วางหรือว่ายกออกไปก่อนรปริพบทสิบเรื่องพวกนี้ยยกออกไปก่อนห่วงเรื่องปัญหาหนี้สินลิขิตต่างๆความสามารถที่เราเคยมีมาอยู่ที่นี่มันเหมือนกับว่าเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครนะจริงๆเราเป็นใครคุณรู้ไหมอย่างนี้เราต้องการแสดงออกมามจะขนขวายทีเดียวมันก็จะมาลาําทับญาติกันนะ มเมืช้าหลวงพ่อท่านกเทศถึงเรื่องนักปฏิบัติท่าต้องมีพาระห้าสห้ายิงเก็บอารมณ์เข้มเนะี่ยต้องต้องสร้างพลระห้าสห้าแล้วก็ต้องรู้จักมันด้วยเชนสอบทาในตัวปฏิบัติเนะี่ยไม่มีต้องต้องทําให้มีขึ้นมาทํากรรมดีก็ดีกรรมชั่วก็ชั่วกรรมฐานเหนือดีเหนือชั่วเราต้องเห็นตรงนี้จริงๆทุกท้งที่รู้สึกมันออกมาจากความคิดจินปกติต้องได้สัมผัส มันหลงเผลอกําลังมันอ่อนตัวมันหมดไปมันง่วงมือมันยกไม่ได้มันเพรอะมันเบื่อมันเซ็งต้องรู้แล้วพภาระรู้นิสัยมันหายไปแล้วมือมันก็จะยกไม่ได้วิญญาณก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มาความรู้สึกตัวการเคลื่อนไหวไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดศรัทธามากก็โง่อบมไงปัญญาเยอะก็ไม่ลง มือทําสักทีใจไม่ปลงมันปลองอยู่นั่นแหละนี่พระเจ้าทําอย่างนี้หรือเปล่าที่อื่นก็ไม่ได้ทําอย่างนี้นะนี่ทําแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ทําไมเราทําคนอื่นไม่ทําไอ้ที่พูดนี่มีจริงๆนะอย่ยงมาเช้ามีแพร่อยู่รูปหนึ่งก็มาเป็นครอบครัวเลยพ่อแม่ก็โอ้ดีใจเหลือเกินลูกปเดี๋ยวสึกไปจะได้ไปขับเครื่องบินเป็นกัปตันเครื่องบินเสร็จแล้ว พ่อก็เป็นนายตำรวจใหญ่ด้วยนะนายตำรวจใหญ่ลูกสาวก็ชอบปฏิบัติธรรมแม่ก็ชอบปฏิบัติธรรมมาอยู่ร่วมกันลูกพระก็ตั้งใจเดินดีเจ้าเดินอย่างกลมสังเกต ด, ดูหน้าตาผ่องใสนขาวผ่องก็ลองทักก็ว่าเออเนี่ยทานนะเดินนะรู้สึกตัว น, น, นะกังวลนะกังวลว่าทำไมพ่อแม่ไม่ไม่ปฏิบัติกังวล ทำไมครอบครัวหายไปไหนไม่มาเดินจงกรมด้วยเขาบอกวจริงเลยคิดอย่างนั้นนะี่ยแล้วทันก็ห่วงงานนะี่ยใจไม่อยู่กันกแล้วก็ตัวละห่วงใจไปโยน่การขับเครื่องบินด้วยนะโยชน์การใช้ชีวิตกับหน้าที่การงานในอนาคตรู้สึกตัวสิว่าเราสังเกตได้ทนะุกคนรู้สึกตัวหน้าตาจะเฉยเฉยแต่เวลามาหลงคิดเนะี่ยจิตมันจะชวนให้ยิ้มถ้าพอใจนะหน้าตาจะยิ้มผิดปกติไปเลย ทนที่จะเดินรู้สื่อสื่อรู้เฉยๆอ่ะมามาเดินคิดไปยิ้มไปเพราะนั้นใครแล้วเดินเกิดปิตินะปฏิบัติแล้วเกิดปิติแท้ทุกคนนะปรุงทั้งนั้นอ่ะเดินแล้วปรุงมันก็จะยิ้มสบายอกสบายใจขึ้นมาเรียกว่าจิตเป็นบุญตัวบุญถ้าใจเป็นบาปะนะเออเหี่ยวหน้าดำเจ้าป่อแปรหมดเลี้ยวหมดแรงนะเพราะฉนั้นอีสีห้บาละหา้าให้ตังแกเราเอง ศรัทธาที่รู้ตือมีไหมการเคลื่อนไหวให้ต่อเนื่องมีไหมอย่างเงี้ยแล้วก็อาการที่นิ่งๆจดจ่อแล้วมันบอกแหวกมันหุนหันพันแล่นมันสัดสัดใจใสใครสังเกตสมาธิไม่เคยตั้งมั่นหรือว่าปัญญามันมีไหมมันรู้เป็นปัจจุบันไมันรู้เฉยๆมันรู้จิตเจิดเวลามันลงคิดไปมันกลับมาได้นะปัญญาแบบเนี้มีไหมแล้วมีความเป็นกลางไหมว่างกายเป็นไหมวางจิตใจเป็นไหมตรงนี้ เนี่ยตัวนี้เรามาฝึกหัดกันอย่างนี้ปกติเมื่อก่อนเราเคยมีกำลังคืนลูกมีลูกนี่มีกำลังมากทำงานทำการหายเนี่ยท้าเหนื่อยกำลังคืนลูกไวรุวนปีก้าขาแข็งหูแจ๋งไวจะย่านมไม่ฟังใครนักหมดนะนผู้ใหญ่ผูดยังไงก็ไม่ได้สนใจอะไรไวมันจะย่านมจะท่องโลกกว้างเรียนรู้รอบตัวก็เรียกว่าไปคุดทองแสวงโชคลาภ เพอนีมันไม่ฟังใครหรอกฝรั่งนะปล่อยเลยอายุเกิน18ปีออกนอกบ้านไปเลยเรียนรู้เองีอ่นะ ไ, ไปเรียนรู้เอารับพิดชอบชีวิตเริ่มต้นที่4นะี่สิบเดี๋ยวสี่สิบค่อยว่ากันกูจะสรุปอะไรได้อีกเยอะเลยนะจะแล้วตรงนั้นแหะคือการเริ่มต้นของชีวิตนะนะกำลังคือทรั์ไปไหนนี่สบายใจได้ถ้ามีเงินในกระเป๋าตุงอยู่นะนะเดี๋ยวเงินไปใช้เป็นบัตรผ่านทั้งหมด มีปัญหาใช้เงินอย่างเล็วๆนี้มีพระจะมาบวชที่นี่อยู่รูปหนึ่งก็รูปนี้แหละรูปที่ว่าเนี่ยก็ปู่ย่ากะเอาใบาบัวสักใบนึงฟักเงินให้เลยไปไปเอามาเอาเงินซื้อเอาก็เลยบอกคนงานไปไปเก็บมาเดี๋ยวนี้เลยไปไม่ต้องรอตอนเย็นตอนเที่ยงอะไรไปเอามาเดี๋ยวนี้เลยก็สังเกตก็อาการแบบเมั่นใจในเรื่งสูงแล้วก็ วางกล้ามหน่อยๆแล้วก็เอาเงินฟาดพวะลงไปเลยอย่างี้นะจะเป็นภาษาให้มันหยาบอีกนิดก็เลยว่าเอาเงินไปตบหน้าเดี๋ยวเราเจเอเงินไปตบหน้ากันนะมีอะไรก็รซื้อซื้อซื้อซื้ อ, อยังงนนะนะนะอันนี้เรียกว่ากำลังคือทรัพนยะ์เงินเป็นเท พ, พจเจ้าหรือว่าเป็นเรื่องของโลกที่เราจะต้องใช้เงินเป็นตัวนำนะเป็นสมบัติผัดกันชมมานะ ก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่สําคัญสําคัญใครไปฉีกก็ติดคุกอ่ะนะกฎหมายคุ้มครองอยู่เงินหรือว่าใครไปปลอมแปลงลติดคุกอีกเหมือนกันอย่างเนี้ยเราก็ต้องรู้แล้วหนะว่าจริงตรงไหนปลอมตรงไหนด้วยชัดๆใช้เงินใช้ทองซับภัยนอกกําลังคือญาติไปไหนถ้าล้ว่ามีญาติพี่น้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราก็เกิดความอบอุ่นใจ ไปต่างประเทศหรือว่าไปต่างจังหวัดหรือว่าไปทํางานถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ปกป้องคุปกองเป็นแบค็คเราจะรู้สึกอบอุ่นทันทีรวมมีปัญหาเกินมานะเราหาบุคคลที่คอยช่วยเหลือเราผู้ใหญ่ใจดีเราจะรู้สึกอบอุ่นเหมือนเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กทันทีอย่างเดียว น, นะเพราะฉะนั้นเรามีกําลังคือญาติกําลังคือลูกนะกำลังคือลูกกำลังคือรับ กำลังคือศีลนี่สําคัญกําลังคือศีลคือความเป็นปกติของจิตเนี่ยตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไปไหนสังเกตจิตมันเป็นปกติมามันจะเกิดปัญญาขึ้นมารู้เท่ารู้ทันรู้รอบคอบรู้รอบตัวจะเป็นภาษาธรรมะเรียกว่ารู้รอบกองสังขารการปรุงแต่งทั้งหมดในโลกคือสมมุติแล้วก็เหตุปัจจัยในโลกนี้ทั้งหมดะ มันก็จะมีเหตุปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกันตลอดเป็นเรื่องของลักษณะสามอย่างการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปเป็นห่วงลูกโซ่โซนะที่เชื่อมโยงนะธรรมชาติทั้งหมดเอาไว้หนีไม่พน้นเพราะนั้นการมาไป็นธรรมรู้สึกตัวนะ่นะเรียกว่าการเจริญสติปฐานสี่ฐานให้เห็นกายตามความเป็นจริงอันนี้รูปธรรมนะ ให้เห็นเวทนาตามความเป็นจริงให้เห็นสัญญาตามความเป็นจริงนี้เป็นนมามธรรมเห็นสังขารตามความเป็นจริงคนใหม่ๆอาจจะฟังไม่รู้เรื่องเขา จ, จะแปลสักหน่อยหนึ่งรลกก็คือธาตุสี่ของเราเนี่ยวัตถุก้อนเนี้ยเส่งมโยงไปหาที่เราเห็นสัมผัสได้ทั้งหมดโลกทั้งใบนั่นแหละแล้วก็นามก็คืออาการต่างๆ ที่มันเป็นนามธรรมเลยเพราะตัวจิตใจของเราที่มันอยู่กับร่างกายเป็นตัวชีวิตมันมีการปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารเกิดจากสัญญาสัญญาดีหรือสัญญาไม่ดีห ร, ญญรือสัญญาวิปลาสถ้าสัญญาวิปลาสก็คือเห็นว่าสุขเห็นว่าเป็นความสุขมันก็มีความทุกข์ซ่อนอยู่เห็นว่าสวยว่างามมันก็มีความทุกข์ซ่อนอยู่ในนั้นเดี๋ยวมันก็ไม่งามน ะ, น ะ, น ะ, นะนะ อย่างเราบอกว่าเราสวยเรางามเงนะเราภูมิอกภูมิใจมากเลยมองกระจกสองซ้ายสองขวาโอ้สวยที่สุดในโลกคือเราเงนีะ้นะพอสักพักาก็ค่อยๆเขียวลงไปไงนะเดี๋ยวก็มีไฟไฟดำๆเฝ้าฝ้าเกิดขึ้นมาก็ทุกขลเขียวตินกากระทุกแล้วบางคนนีอายุหกเจ็ดสิบนะยังแต่งหน้าแต่งตาเขียนคิ้วทาปากหารักษาหน้าให้ตึงเป๊ะอยู่เลยมีหลายคนทาอย่างนั้น แล้วๆนี้ก็ได้เห็นอยู่คนมากระทึ่งเขามากเลยทึ่งเขาโอ้เข้ามาเป็นครูสอนเราแก่แต่ไม่ยอมแก่โอ้เป็นอย่างนี้นี่เองก็ยกกุวันเจ็ดสิบกว่าเกืบแปดสิบแล้วเขาก็ดัดผมมาวัดจะหยิกหย่อยเลยนะแล้วก็คิ้วเขามีอยู่แล้วเขาก็ไม่โกนทิ้งเลยนะมันมีอยู่มันมีอยู่ตัดคิ้วมันต่ํามันแก่คิ้วมันตกเขากนะ็แป้งรองพื้นนทา คนคิ้วดำๆให้มันสีเนียนๆเหมือนกับสีผิวใบหน้านะแล้วก็มาเขียนใหม่อยู่ตรงเนี้ยมาเขียนใหม่กันมาดูโอ้มันตัวตลกเนาะดูนะมันมันมีความสุขโอ้คนมันเป็นอย่างนี้หรือบางทีเนะี่ยทําอะไรอีกมากมายแล้วก็ยอมหมดเงินหมดทองเพื่อรักษานะอันนี้มันก็รักษาไม่ได้หรอกเพราะขนาดนะจากักรพรรดิหรือว่าสมัยก่อน ลายชนียุคเก่า ก, ก็รักษาไม่ได้ก็ต้องแก่ต้องเหี่ยวยเี้แต่ว่าหลายคนก็หมดเงินมดทองในะบางทีนะหาเงินจนไม่พอใช้รักษาความงามซึ่งก็แพงที่สุดเยสวยทันทีที่นันทีนี้ที่โ น, น่นเราก็พยายามรักษาสภาพแต่ก็รักษาไม่ได้ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายในท้ายสุดเนี่ยเราก็จะได้เห็นความจริงกันเห็นว่าสุขเห็นว่าสวยมันก็ไม่ถูกซะแล้ว เห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนอนี่ของเรานี่ตัวเราอะไรหล่ะเนี่ยมันก็จะได้คําตอบึ้นมานะหลังจากที่มีความรู้สึกตัวบอลลีบูลเคื่อนไหวรู้สึกตัวเนี่ยแต่ว่าก็จะต้องฝึกหัดพอสมควรทีเดียวให้จิตมันมีความคุ้นคุ้นแล้วก็ชินมีนิสัยอยารู้กลับมากลับมาเรียกว่าปฏิบัติน่ยปฏิบัติคือกลับมาปฏิบัติงานก็คือมาในกรอบของงานเหยาอกนอกกรอบของงานนะ ระเบียบควบคัมมันมีวิชาความรู้ที่รองรับมันมีมาตรฐานนะมันมีอยู่ปฏิบัติธรรมก็กลับมาสู่ความเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดาเคลื่อนไหวรู้สึกธรรมดาไหมละ่ะมันไม่ได้ไปเห็นแสงสีหรือปฏิหารชาตินี้ชาตหน้าชาติไหนเดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้ปัญหาที่ผ่านไปแล้วเราแก่มันยากมากไม่ต้องไปสนใจมันวันนี้จะอยู่ยังไงเนี่ยสำคัญกลับมารู้สึกตัววันนี้ดีวันหน้าที่เหลือมันก็ดีเป็นกําไรชีวิตอย่างเง้ยนะ ก็ต้องเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวนี้เลยที่แล้วก็แล้วไปแล้วนะทุกคนก็เหมือนกันก็ทํากับเราก็ให้อาภัยเขานะให้อาภัยไปเลยหรือว่าเมตตาไปเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเลยรูนะ้ลกลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวมันจะได้คําตอบอีกแบบหนึ่งก็คือเออก็เรื่องของเขาอะเขาจะคิดจะพูดกระทําก็ไม่เปไ็นไรหรอกได้ก็เรื่องของเขาก็ทําหน้าทีหนึงเขาอยู่ถูกแบบของเขาอนะแต่เรารู้ว่าเขาเป็นคนอย่างนี้เราใช้ได้แล้ว รู้รู้อ๋อเรารู้สึกตัวอยู่ปกติอยู่ไม่ได้วันไหวก็วใช้ได้แล้วนะตัวนีนะ้มันจะเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติธรรมนะบางทีก็เผลอคิดไปอดีตที่ก็เผลอคิดไปอนาคตนะบางทีก็คิดเป็นบุญทีก่กคิดเป็นบาปมันจะเกิดขึ้นมาเราก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวนะกรรมฐานเบื้องต้นเลยตัวเนี้นะก็ชี้บอกกันแล้วให้ทำกันตรงนี้ก่อนเรื่องอื่นเดี๋ยวมาเองนะมันจะเริ่มไปรู้นะในรายละเอียดเรืยองวันนี้วันละทํ นิวราธรรมก็คือสิ่งที่มันขวางกัน้นไม่เรารู้สึกตัวแบบนิ่มๆแบบง่ายๆนะส่วนเมื่อกี้ตอนต้นที่พูดถึงบริพเทศก็คือไอ้สิ่งที่มันขัดแย้งอยู่ในใจเราสิ่งที่มันทําให้จิตใจของเรามันคลุมเครือไม่เกิดศรัทธาแล้วก็ไม่พุ่งตรงต่อการปฏิบัติก็ตรงนั้นแหละนะอีกอันก็คือนิวราธรรมไม่ให้พุ่งทั้งแต่เรามีศรัทธาอยู่มันเกิดขึ้นมาความม่วงเหงาเหง า, านอนอนะอย่างเนี้ยนะ ความมิงเลสงสัยพวกนี้มันก็คืออารมณ์ปฏิบัติที่หลังจากผ่านอารมณ์อย่างย า, คากความโลภความกดความหลงพวก น, นี้อย่างยาบมันก็จะไปเจออย่างกลางกับความโงกง่วงนะอันนี้เราวันนี้รอธรรมเป็นกิเลสอย่างกลางความรู้สึกตัวที่มันเหมาะสมกับกิเลสอย่างกลางก็ต้องมีปัญญาบ้างบางทีก็ต้องเดินหน้าถอยหลังบางทีก็ต้องเลืมตา ม, มองไกลๆมองยอดไม้อันนี้ มันเป็นเทคนิคหรือว่าแทคติกนในการที่เราจะไปบัดทํำและทําให้ผ่านอารมณ์ได้ไวอย่างเงี้ยนะก็ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนปล่อนครบรรเทาแก้ไขให้ตัวเองอันนั้นเป็นเรื่องของประสบการณ์ของใครของเรากันที่เราจะต้องอาหาวิธีการของเราเหมือนกันบางทีมันก็ไม่มีสูตรสําเร็จความง่วงเลยนะหรือบางทีความโกรธกัเหมือนกันมันเกิดขึ้นมา ความรู้สึกตัวที่มันจะทําให้เราผ่านได้คือความรู้สึกตัวทีบริสุทธิ์ตัวรู้ที่มันรู้แล้วเกิดความเป็นปกติมันจะหลุดออกจากอารมณ์ทันทีไอ้ที่มันหลุดออกจากอารมณ์ภาษาศาสตร์หาเรียกวิมุตต์ด้วยนะวิมุตต์หลุดพ้นมันเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติทุกครั้งที่มันเกิดอารมณ์ขึ้นมาแต่เรามีสติมีสมัญญะนะมันก็จะผ่านทันทีอารมณ์ไหนก็ตามถ้ากลับมารู้สึกตัวมันก็จะผ่านทันทีถ้ารู้แล้วรู้ถูกนะ แต่รู้แล้วรู้ไม่ถูกมันก็ออยังไม่ผ่านหลือว่ากําลังของสติยังไม่มากพออีสี่ห้าพละห้ายังไม่มากพอก็ยังติดเราก็ซ้อมต่อซ้อมต่อซ้อมต่ อ, อ, ตอทําซ้ำมานะ <c oughs> เห็นแล้วเห็นอีกนะนะรู้แล้วรู้อีกจนกําลังมันพร้อมันจะลดทันทีถ้าเราสังเกตดีๆมันหลุดจากความคิดมันลดจากอารมณ์ครั้งเดียวมันจะจําไม่ลืมทุกครั้งที่มันหลุดแล้วเราก็แยบคายเห็นตรงพอดี <c oughs> ตรงกับสภาวะที่มันเกิดขึ้นพอดีอะตรงนั้นมันจะเกิดปิติสุขขึ้นมาเหมือนกับมันให้รางวัลเราที่เราสามารถที่จะผ่านได้เป็นรางวัลเล็กๆกันนะนะเราก็ไม่หลงบางทีเกิดอารมณ์บุญขึ้นมาเราก็ไม่หลงทีเกิดอารมณ์ที่มันไม่ใช่บุญขึ้นมาเราก็ไม่หลงจิตเป็นกุศลเราก็ไม่หลงจิตเป็นอกุศลเราก็ไม่หลงมันก็จะมีแต่ความรู้สึกตัวล้วนๆนดวงกาย ทัวสาระ่างกายก็จะมีความรู้สึกตัวสติเห็นกายกายก็ตื่นแล้วจะมีอาการของจิตเกิดขึ้นมาพอมีอาการสติรู้ทันสติเห็นจิตจิตก็ตื่นไม่เป็นอย่างนี้ตัวนั้นเราคือเป็นภาวะพุท ธ, ธะพุท ธ, ธะคือภาะวะตื่นรู้ตื่นรู้รู้ตื่นนะปกติเคยตื่นบนความหลงมันตื่นตโนกตกใจมันตื่นแบบนั้นนะ เช่นนั่งรถมาง่วงง่วงไงนะพออยู่ๆรถเบรกเอียดเอียดเอียมันตกใจขึ้นมาอย่เงี้ยเราตื่นตระหนกตกใจเอ๊ะอะไรอะไรเกิดอะไรอย่างเงี้ยบางทีเห็นรถชนกันเห็นรถคว่าตะแคงอยู่ข้างทางอะไรแบบนี้มันจะมีความรู้สึกตื่นตระหนกตกใจขึ้นมาเหมือนกระตายตื่นตัวเมือนั้นหรือบางทีมันตื่นบนกิเลสตาดูเห็นสิ่งที่ถูกใจอย่างเงี้ย หูฟังได้ยินจริงที่ถูหูยมันจะตื่นตัวขึ้นมาเห็นแสงสีเสียงอย่งนี้นะตือนอกตื่นใจขึ้นมาตื่นบนกิเลสแต่ว่ามาที่นี่เราจะตื่นทุกเห็นทุกแล้วตื่นทุกเช่นนั่งนานๆเจ็บปวดเมื่อยอย่างเงี้ยมันไม่มันไม่เหมือ น, นกับว่าจิตใจเศร้าซึมเบือ่อเงี้ยไม่มักิดอารมณ์ตื่นขึ้นมาเฮ้ยมันมีอาการอะไรที่มันแสบๆขึ้นมาเงี้ยเรื่องที่มันแวบคิดอย่างเงี้ยนะ เฮ้นี่มันอาการของจิตเนี่ยไงเรือมีอาการเบื่อเบื่อเกิดขึ้นมาหรือว่าบางทีอาการหนักหนักเกิดขึ้นมาเบาเบาเกิดมาสารพัดอ่ะนะมันจะตื่นตื่นเหตุาการณ์เหล่านั้นผ่านออกมาได้จากหยาบไปหาละเอียดมันจะมีข้งมันอยู่นี่แหละเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้กั น, นที่ไหนก็ไม่สอนแต่ที่นี่จะสอนกันชี้นําบอกกั น, นเรื่องการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเป็นหนึ่งในห้าวิธี แนวหลวงปู่เทียนจิระโพธิ์ที่คนใหม่ก็ต้องมารู้สึกตัวคนเก่าก็ต้องมารู้สึกตัวรู้สึกตัวตัวไหนตัวกายตัวจิตหนะรือว่ามันรู้รอบของสังขารทั้งกายยาสังขารจิตสังขาร น, นั้นขึ้นอยู่กับความว่องไวไวพิปฏิพันธ์ที่มันฝึกธรรมจนชํานาญฝึกธรรมก็คือฝึกปฏิบัติธรรมในรูปแบบจนกระทั่งมันเป็นธรรมชาติ เห็นธรรมชาติเห็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องทุกกายก็ผ่อนคลายบรรเทาแก้ไขมีบทสี่นั่งเดินเย็นนอนกินขับถ่ายหรือว่าห่มผ้าหลับนอนอะไรพวกนี้กับเรื่อยบทมากมายเหลือเกินเล็กๆน้อยๆนะเกี่ยวข้องกับวิปตาหายใจคราว น, นี้เรื่องของจิตใจของเรากลับออกมาอย่างเดียวเลยกลับมาหาธรรมชาติเดิมแท้โดนะยเพราะฐานกาย กายเคลื่อนไหวใจรู้กายทำอะไรใจทำด้วยเคลื่อนไหวเมื่อไหร่รู้สึกตัวทันทีโดยพระเจตนาเคลื่อนไหวนี่สำคัญนั่งเอานิ้วกระทบกันก็ดีนะนิน้วโปง้งหวัวมือนะเวลานั่งลดลงเรือไปเหนือลองไตนะดีหรือว่าพลิกคว่มพลิกหงายน่ะดีขดพิการทำแล้วก็หนึ่งเดือนนะที่ให้ผลเราเป็นผลอันเลิศมากจนทางปัจจุบันนี้เขาใช้คาว่าละออกจากความพิการทั้งด้านร่าง ก, กาย จดใจไม่กายพิการก็คือกายเขาพิการอาจารย์กำบลนทองบนนู้น่ะนะแล้วก็ทุกมันบีบคั้นเหลือเกินจะแต่งงานก็ไม่ได้แต่งงานพยาบาลแฟนก่าว่าจะแต่งงานก่อนแต่งขอบวชก่อนก่อนบวชก็ไม่ได้บวชปรากฏว่าคอหักซะก่อนเป็นอาจารย์สอนพร ะ, ะสอนแต่กระโดดน้ําแต่ว่าอาจารย์กระโดดน้ําแล้วก็ศีรษละไปปกักกนสะ กระดูก 4-5 ห้าแตกบาดเ้นประสาทในไขสันหลังเนี่ยนะก็เป็นอย่างเงี้ยมาส6บปีนอนอยู่กับความทุกข์นะแต่ท้ายสุดเขียนจดหมายมาขอกรรมาฐานจากหลวงพอ่อเขียนหลวงพอ่อก็ไม่ได้พูดเรื่องอื่นบอกว่าหายใจก็ปฏิบัติทำได้กระพริบตาก็ปฏิบัติทำได้หรือว่าสามารถพลิกควม่มพลิกหงายก็ปฏิบัติทำได้นะ เพรปฏิบัติธรรมนั่นก็คือกายเคลื่อนไหวเจตนาเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกลงไปนะเบื้องตน้นเรียกว่าการฝึกสติการเจริญสตนะิอาจารย์กับผมทำไม่นานนะก็สามารถรู้ทันความคิดเห็นความคิดแล้วก็แยกรูปแยกน้ำได้สติตื่นมาเป็นผู้ดูเราก็ต้องมีสภาวะตรงนี้แหละจิตมันถึงจะเหมือนกับว่ามีคุณภาพขึ้นมาใช้ชีวิตในโลกใบนี้โดยที่นะถึงจะทุกข์ก็น้อยที่สุดนะถึงจะ ทุกก็ทุกไม่นานหรือว่าบางทีอาจจะไม่ทุกเลยก็ได้พอรู้แล้วทุกเกิดที่เกิดจากความคิดอย่างเงี้ยคิดเมื่อไหร่มันก็ทุกตรงนั้นเลยคิดเดี๋ยวนี้ก็ทุกเดี๋ยวนี้แหละแต่ถ้าหากว่าเรารู้เท่ารู้ทันความคิดที่เราไม่ได้เจตนาคิดนะรู้เท่ารู้ทันก็แสดงว่าเออสติปัฏฐาน น, นมันทํางานดีเนื่องจากมันตื่นรู้ตื่นตันตวหรือว่า มันเป็นสติที่มีความว่องไวมันเป็นสัมมาสติไม่ใชม่มิจฉาสตินะสัมมาสติก็หมายถึงสติที่กลับมาดูแลตัวเองมิจฉาสติก็หมายถึงสติที่ออกไปนอกตัวนี่แหลนะมันไปเรื่องนอกตัวเป็นเรื่องของโรคนะที่เป็นโลกธรรมโรคต่างๆโรคกายโรคใจต่างๆมันเกิดจาก สมมติบัญยัติมากมายที่จิตใจของเราแต่ละคนแต่ละท่านสมมติเอาไว้แล้วบัญยัติเอาไว้เรื่องเดียวกันคิดให้กอดเรื่องเดียวกันคิดให้รักให้ชังให้สุขให้ทุกข์มีมองที่แตกกันต่างกันนิดเดียวกรณีมารู้สึกตัวจะเห็นตรงเหมือนกันก็จึงไม่เกี่ยวนะมา ก, ก่อนมาหลังหรือว่าบวชไม่บวชอันนี้ไม่เกี่ยวละไม่เกี่ยวกับว่ารูปแบบของการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวนะเรารับรู้แล้วก็สรุปจับประเด็นมาเป็นการปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องแล้วก็เชื่อมโยงสัมพะสัมพันธ์กับธรรมชาติที่มันกําลังปรากฏมากน้อยเพียงใดเพราะฉะนั้นธรรมะมันจึงกําลังเป็นอย่างที่มันเป็นอยู่ตลอดเว ล, เวลาเมื่อเรามีความรู้สึกตัวเราจะได้เห็นอาการเหล่านั้นแปลการของใจแลอาการของกายเป็นนามธรรมรูปธรรมเป็นรูปธรรมนามธรรมมากมายเหลือเกินก็ให้ใช้ความรู้สึกตัวที่เกิดขึ้นแต่ละขณะแต่ละขณะให้มากเท่าที่จะมากได้ตรงนี้แหละ มันถึงจะเป็นเรื่องของจิตตภาวนาหรือเรียกว่าขยันรู้หรือเรียกว่าวิปัสนาวิปัสนากรรมฐานก็นหมายถึงว่าเราสามารถตามรู้เห็นโลกตามความเป็นจริงโลกของกายโลกของจิตรูปธรรมนามธรรมหรือว่าเกี่ยวข้องกับโลกทั้งรูปรด ก, กลิ่นเสียงตาหูจมูกนิ้นแล้วเราก็ไม่ได้เอาความคิดลงไปปรุงกับมันมันเป็นการเห็นตรงๆเห็น โดยการสัมผัสรู้เนี่ยนะเมื่อก่อนเราเคยคิดตอนนี้มันเป็นการสัมผัสตาหูจหมูกเลี้ยกายใจสัมผัสกระทบสัมผัสรู้สึกตรงนี้แหละมันจะปลอดภัยก็ถือว่าเราเป็นชาวพุทธแล้วก็โชคดีแลวนะมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีการบังคับกันแต่ว่าขอร้องให้ทำในรูปแบบให้มากนะเพราะว่าเราเป็นนะชาวพุทธที่จะเข้าถึงตัวการฝึกสติปัญญา ฐานกายเห็นกายในกายตามความเป็นจริงแล้วเกี่ยวข้องถูกต้องนะแปลการเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมีอยู่เห็นเวนาเวลาคือสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับกายกับจิตของเราเนี่ยตามความเป็นจริงแล้วมีอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่อันนี้แล้วเราจะได้เกี่ยวข้องถูกต้องด้วยความรู้สึกตัวสุขทุกข์เกิดม า, ารู้สึกตัวเห็นจิตเวลาไม่คิดเนี่ยนะอย่างตอนนี้เวลาไม่คิดเผลอไปเราก็รู้สึกตัวหรือว่าคิดล้า ตั้งใจคิดเราก็รู้สึกตัวจิตมันคิดเก่งอาการของจิตก็คือคิดความคิดเป็นอาการของจิตความคิดไม่ใช่จิตจิตมันมันเป็นจิตที่บริสุทธิ์นะแต่ว่าเวลามันคิดเนี่ยมันเป็นอาการของจิตเฉยๆภาษาธรรมะเขาเรียกว่าเจตสิกนะเจตสิกมันไม่ใช่อาการของจิตนะมันเป็นเรื่องของความคิดที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราหลงแล้วเราก็หลงเข้าไปในความคิด นาทัศนก็คอาการปรลงแต่งมากมายแล้วกันจนเป็นอารมณ์นะนะเป็นความพอใจไม่พอใจยินดีร้ายชอบไม่ชอบสุขทุกขนะ์เราก็ได้เห็นมันต่อมาก็คืออาการที่มันจะเกิดขึ้นมาเสียงกระทบหูรูปกระทบตารสชาติกระทบลิ้นกลิ่นกระทบจบมกูกสัมผัสกระทบทางร่างกายของเราหรือว่าความคิดมันกระทบ เขาเรียกว่ามาโนวิญญาณนะนะมันกระทบโยมภายในจิตใจของเราเป็นนามธรรมมันนะเราก็จะค่อยๆรู้ไปอย่างนี้นนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ฟังครูบาอาจารย์อีกหลายท่านนะท่านก็จะพูดเป็นส่วนประกอบนะวาท่านเคยทําอย่างนี้มาแล้วท่านก็เห็นอย่างนี้นะแล้วเราได้ใช้คําพูดนะเป็นบรรยากาศของการยาณมิตรนะที่เราปรารถนาดีต่อกันไม่ชี้กันไปทางที่เสื่อมนะ เราจะชี้แต่เรื่องของการเป็นธรรมและเรื่องของมรรคผลนิพพานเป็นเรื่องของการที่สุดแห่งกองทุกการทําที่สุดแห่งกองทุกให้ปรากฏขณะต่อขณะขณะต่อขณะใครทําได้มากได้น้อยก็ไม่เป็นไรเราก็จะเป็นส่วนประกอบให้กันเรื่องตรงนี้เลยวันนี้ก็รู้สึกรู้สึกเป็นภาพที่เป็นนิมิต ท, ที่ดีก็เห็นท่านจานรุลินไปหาที่เดินจง ก, กรมที่ลานหินโค้งตรงนี้เราจะมีบรรยากาศ ที่เราจะได้ทำกันที่คุติสหลาพาะเก็บอารมณ์ท่านก็ทำกันอยู่ในป่านะก็ไปเดินดูอยู่ด้วยกันท่านก็ตั้งใจไปแบกันดีเงียบๆนิง่งๆนะถึงฝนตกบางทีท่านก็กลางลมเดินโอ้เป็นภาพที่เราดูแล้วมันมันเกิดพลังขึ้นมาเลยโอ้ท่านมันเพลินๆกันแนตะ่เนีอนุมัตนาสาธุปล่อยยินดนะีเพราะเชื่อว่ามันจะเป็นสังคมที่มีแต่ผู้ที่มีจิตใจเป็นปกติ เป็นสังคมที่จะมีความงามเรามีจิตใจที่เอฟื่อเพือแผ่ในท้ายสุดจนทั้งเหมือนกับว่าเป็นที่พึ่งให้กับสังคมอีกหลายๆสังคมในโลกใบนี้ต่อไปชุมชนอีกหลายๆชุมชนในโลกใบนี้ต่อไปที่วัดป่าสุตตพื้นที่500ร้อยองไรจะเป็นเรียกว่ามหาแหล่ยชีวิตก็ว่าได้ที่คนมาใช้พักตายพักใจเรยนักจะพักสักนิดนึง ดีกว่าไปกินเหล้าเมายากบเกิดหรือว่าฆ่าตัวตายมาอยู่ที่นี่เราก็จะเป็นเพื่อนกันดูแลกันตามสมควรทีเดียวขาดเหลืออะไรก็บอกกั น, นที่สํานักงานไตแล้วก็มีพ้าห่มมาใหม่ๆถ้าหนาวก็ไปเบิกกันเพิ่มได้แต่รู้สึกก็จะเขียนไว้เผื่อละ20บาทนะ น, นะการซักเอาเงินให้ชาวบ้านเขาให้ชาวบ้านก็มีไรายได้นะหรือว่าเราเร า, เราทําบุญแล้วเราอาจจะไม่ต้องจ่ายก็ได้แต่เดี๋ยวก็บอกจํานวนมา เดี๋ยวทํามจะมเราเงินก้อนหนึ่งไปให้ทางสํานักงานเขาให้เท่ากับจํำนวนผ้าห่มหมัยถึงว่า ม, มีเขียนอยู่นะเรามีขันวางอยู่เดี๋ยวเราจะตกใจนี่มันคือการเลีออ่ยนไหลไม่ใช่นะมันไม่ใช่ยังแก้เขียนสมมติเอาไว้ให้เราได้ฉุกคิดว่าควรเอาไปควรเอาแต่ถ้าหนาวก็เอาไปเถอะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็เไปหม่มนหะรือว่าไปรองปูนอนก็ได้ถ้ามันมีมากพอไม่เป็นไรอากาศมัเนเย็นๆเพื่อมันชื้นๆอยู่อ่า วันนี้ก็พูดให้ฟังประมาณ40นาทีก็สรุปว่าก็ขอให้พวกเราทุกคนทุกท่านก็ใช้โอกาสนี้วินาทีนี้ศึกษาปฏิบัติธรรมเดเพราะว่าเรามาฝึกหัดภาคปฏิบัติการเป็นกรรมฐานปฏิบัติการให้เข้าถึงความรู้สึกตัวแต่ละขณะจนกระทั่งมันชีวิตมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปไคยทุกข์ มันก็กลายเป็นทุกน้อยลงริ่วไม่ทุกเคยฟุ้งซ่านไปกับความคิดก็กลายเป็นว่าเรารู้เท่ารู้ทันมากขึ้นเคยที่จะร้อนอกร้อนใจก็รู้สึกสงบเย็นแล้วก็รู้สึกว่าได้ทําประโยชน์กับตัวเองคุ้มค่าที่สุดกับการได้กายได้ใจได้ชีวิตมนุษย์มาได้พบพุทศาสนาแล้วก็มีโอกาสได้ฝึกสติก็ขอให้สติปัฏฐานได้เจริญงอกงามตามสมควรแก่การปฏิบัติ แล้วก็มีโอกาสที่จะเ จ, จริญสติ ย, ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งทมที่สุดในกองทุกปรากฏในชีวิตที่เหลืออยู่นี้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกรูปทุกนามเถิน